ทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรนสนินาพงศ์นะคะก็ข อ, อนําท่านทั้งหลายมาฟังธรรมะที่จะพูดคุยกันไปในรายการสันสนีสนทนาโดยพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอภิปุนโนจากวัดปาดอนหายโศอุดรธานีนะคะจะเมตตาตอบคําถามที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นคําถามที่ท่านทั้งหลายฝากมาหรือว่าบางทีก็เป็นการตอบ สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าน่าจะถามในมุมของธรรมะว่าแต่และเรื่องเนี้ยเป็นอย่างไรแล้วมีทางออกโดยทำอย่างไรหรือไม่เราไปกราบน้มสักการพระเพรบุอภิปุนโนจากวัดปา ด, ดอนหายโสอุดรธานีกันเลยนะคะน้อมสักการณกับท่านคะเชนพานค่ะก็เป็นวันที่ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของภาคปฏิบัติบาต้บางเรื่องของการปฏิบัติธรรม แต่ก่อนอื่นเนี่ยจะกลับเรียนท่านว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่พูดคุยกับใครในการหาทางออกของสังคมขององค์กรดีฉันก็มักจะ อ, าอ้างอิงถึงคำสอนระศาสดาเสม อ, อมเพราะว่าวันนี้ปักใจเชื่อเสแล้วนะคะว่าเหนือกว่าความรู้ทั้งปวงก็คือความรู้ของพระพุทธเจ้าก็มักจะโดนแย้งกลับมาเสม อ, อมคือเหมือนกับ คนที่เขาแย้งกลับมาเนี่ยคล้ายๆเขาพูดว่าอาสําหรับคนทั่วไปก็คงมีความรู้สึกว่ามันไกลตัวมันห่างอะไรอย่างนี้นะคะใช่สมัยนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้แหละนะคุณโยมติวคือคือบางทีบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปเราถูกครอบงำํำพระเจ้าใช้ศัพท์ที่เรียกว่าถูกกลุ่มมืดครอบงำํำนะสัตว์โลกในสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถูกความถูกกลุ่มมืดครอบงํา จึงยากนักที่จะสะละสละความอะไรอะไรเนี่ยหมือคว่าไอ้ไอความที่คุณยึดเยอ้อะไรเนี่ยเอาอ่างสลาลอ ล, ลิงแม่กาดยอยักษ์เนี่ยนะอ่าทำให้ทำให้ไม่สามารถที่จะคลายคืนไอ้เจ้าสิ่งที่เรายึดถือไว้ได้เอ่อมองไม่เห็นถูกถูกปิดกัน้นปิดบังเอาไว้บอกอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจคงไม่ได้นะหัวชนฝาไปก็พูดกันไม่รู้เรื่องแต่บางคนก็จะได้นะบางคนก็จะได้ มันจ ะ, ะมีคนประเภทได้ก็มีค่ะก่อนจะไปเรื่องปฏิบัติสงสัยหรือเวลาคุยปฏิบัติน้อยลงหน่อยดิฉันสงสัยต่อเนื่องอะค่ะว่าเวลาหารือกันในการที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยพอมาถึงจุดจุดหนึ่งจะเกิดคําถามว่าเรื่องวินยัยกับเรื่องของเหมือนกับคุณธรรมสิ่งใดสําคัญกว่ากัน ฉันกลับเดินถามท่านด้วยคําถามเดียวกันนี้เลยค่ะวินัยกับคุณธรรมสิ่งใดสําคัญกว่ากันวินัยนี่หมายถึงข้อที่ต้องปฏิบัติถูไหมค่ะหมายถึงว่าสังคมมีระเบียบวินยัยอ่าคนคนนี้มีวินัยกับตัวเองรู้ว่าควรทําอะไรตอนไหนอย่างไรไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมเรื่องวินยัยมันเรื่องเดียวกันนะทำไมคิดว่าอ่าคือคนที่จะมีคุณธรรมได้เนี่ยคือวินยัยเนี่ยคืออะไรก่อนนะ วินัยเนี่ยคือเราจะต้องรู้ว่าเราต้องทําสิ่งนี้เวลานี้ไม่ว่าเราจะอยากทํามันหรือไม่ก็ตามนี่คือวินยัยนะถูกไหมถ้าเราอยากจะฆ่าสัตว์แต่เรารู้ว่าเอ้ยฆ่าสัตว์มันไม่ดีงั้นเราจะต้องทําในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ตเดี๋ยวนี้นี่คือวินัยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือคุณธรรมไม่ล่ะศีลคือคุณธรรมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนาระเบียบวินัยคุณธรรม มันมันไปด้วยกันได้ทันทีเลยแน่นอนเลยค่ะะท่านคะดิฉันเองเนี่ยวันที่ถูกถามอย่างนี้ในที่ประชุมนิ้นก็ได้ตอบว่าอถ้าเป็นพระพุทธองค์แล้วท่านก็ตรัสสอนไปสองเรื่องเองคือเรื่องธรรมซึ่งดิฉันก็หมายความเข้าใจว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันกับคุณธรรมในบางส่วนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องวินัยก็ตอบไปแบบเนี้ยอทีนี้ดิฉันเข้าใจว่าก็เหมือนเดิมอีกล่ะค่ะคือทุกคนคิดว่า มันอาจจะทําให้เขาอึดอัดเพราะคิดว่าเรากําลังคุยกันในมุมของศาสนานี้เลยท่านจะกลาบเรียนถามท่านต่อยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะคะได้ๆยังกับวันนี้เราคุยกันว่าสังคมไทยเนี่ยปัญหาคือเราแน่ใจไม่ห้ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมของเราในสอดคล้องกับประชาธิปไตยทีนี้เดี๋ยวท่นก็นึ ก, กว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดเคือมีคนยกตัวอย่างะคะ่ะท่านค่ะก็ไปยกตัวอย่างเล็กๆในข้อปฏิบัติ ในโรงเรียนบอกว่า uh huh. โรงเรียนที่ผู้ร่วมประชุมคนหนึ่งได้บริหารมาจนประสบความสำเร็จเน้เ น, นที่ให้ครูมีวินยัยเพราะครูมีวินัยก็จะไปสอนให้เด็กมีวินยัย uh huh. นะคะยกตัวอย่างการเข้าแถวด uh huh. ิฉันเองก็ชอบเรื่องการเข้าแถวเพราะฉะนม้นมันสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย uh huh. คือเคารพการเรียงลำดับก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. ทีนี้ ถ้าพูดถึงการเข้าแถวอย่างเงี้ยกับวินัยทางสงฆ์ทางศาสนาพุทธสามารถจะอะไรเข้ามาจับได้ไหมคะว่ามีคุณธรรมซ่อนอยู่ในนั้นอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมเอออย่างเรื่องการเข้าแถวเนี่ยก็คือตกลงกันนะคือตามลําดับขั้นนะอตอนตกลงกันว่าเออในที่นี้เราเข้าแถวนะคือความสามคัคคีนี้ก็มีส่วนแน่นอนหนึ่งนะสองคุณธรรมก็คือเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นนะว่าเข้ามาก่อนเขาก็ได้ก่อนอันะนี้ก็คือเรา เป็นผู้ที่มีความกรุณามีความเมตตาอันนี้ก็ได้แน่นอนมันก็หลายอย่างในคุณธรรมนี้มันก็คุณธรรมมาแน่นอนคุณธรรมที่ดิฉันกราบเรียนถามเนี่ยต้องเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับรายการเราด้วยนะคะคือของศา ส, สนาพุทธของพระพุทธองค์ค่ะอะใช่ใช่ใชเมตตานี้ก็เป็นคําสอนพระุทธเาอยู่แล้วนะความสามัคคีนี่ก็เป็นคําสอนพระพุทธเาแน่นอนให้สามาัคคีกันนะแล้วก็การที่เคารพสิทธิ์ผู้อื่น ก็เป็นการให้เกียรติคนอื่นอย่างพระสงฆ์ก็อตามลําดับพรรษ า, างี้ก็ให้เกียรติคนอื่นก็ธรรมดาครับ่าเหมือนกับการรณรงค์ให้คนไม่สูบบุหรี่ในที่สาธรารณะอืมอย่างนี้ก็ถือว่เป็นเรื่องเดียวกันัหมคะเนี่ยใช่บาคที่ว่ า, ว า, าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ถ้าเราจะรณรงค์คือ สมัยก่อนเขาก็สูบกันสมนัยนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้สูบเราก็มีการประชุมตกลงกันอ่เขาตกลงกันอย่างนี้เราก็รับทําตามนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องระเบียบวินัยของพระนี่แหละพระสงฆ์ก็ทําอย่างนี้ น, นในวัดก็ต้องบรหิหารการจัด ก, การตรงนี้ประเด็นที่อาตมาอยากจะพูดพูดนิดหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุณยมติวบอกว่าอคําสอนพระจ้าเนี่ยเป็นลักษณะประชาธิปไตยน ะ, ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่นะ ค, คําสองพระจ้าไม่ใช่ประชาธิปไตย แล้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเพราะว่าคําสองพระพเจ้าเป็นธรรมปฏิปไตยนั่นะก็คือว่าเคารพธรรมะอธิปไต่เนี่ยคือเป็นใหญ่ถูกไหมเอาอะไรเป็นใหญ่นนะั้ในคําสอนนี้มีธรรมะเป็นใหญ่เท่านั้นเองมีธรรมะเป็นใหญ่แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการปกครองนะไม่มีใครที่จะออกกฎได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นลักษณะสมบูรณ์นาซีสิทธิราชด้วย3คือคนเดียวนะคือประเด็ดการเลยพระพุทธเจ้าประเด็ดการหมดทุกอย่าง นะฉันออกกฎเองนะแต่การออกกฎของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าตามความพอใจไม่ได้ไปตามกิเลสแต่ตามธรรมพระเจ้าจึงไม่เรียกตรงนี้ว่าเผด็จการไม่เรียกตรงนี้ว่าสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เรียกว่าธรรมอาธิปไตยเพราะตัวพระองค์เองก็ปฏิบัติตามธรรมธรรมเนี่ยดีนะคุณโยมติวเพราะว่าถ้าสมมติคนหมู่มากเนี่ยคนหมู่มากเขาบอกว่าจะเอาอย่างนี้แต่เอาอย่างนั้นแล้วมันไม่ดีก็ทําไม่ได้นะถ้าเราทําตามธรรมอาธิปไตย ถ้าคนคหมู่มาบอกค่าสัตว์ดีแล้วเราค่ากันทุกคนอ๋อมันไม่ได้มันมันไม่ถูก ค, คือลักษณะนี้คือคือคำสองพระเจ้าคือธรรมมาธิปไตยว่าอย่างไรแต่เหมือนกับว่าเมื่อเรามองไปในคุณลักษณะของประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งจะมีหลักของความเสมอภาคนะคะสิทธิเสรีภาพพวกการเคารพ ในหลักนิติธรรมอะไรทํานองเนี้ยนะคะดิฉันว่าไปได้กับธรรมมาธิปไตย ม, มากนะคะก็ก็มีส่วนที่จะสอดคล้องกันอยู่บ้างบ้างอมากพอสมควรแหละอย่างที่คุณธรรมติว่าเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นประเด็นที่เขาชอบพูดถึงกันคือประเด็นชายหญิงเท่าเทียมกันเนี่ยในพระพุทธศาสนาเหลื่อมล้ำไหมคะในเรื่องการบรวชนะในเรื่องการบวชเราก็จะเห็นว่ามีมีภิกษุณีอยู่นะแล้วก็ เรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานนะผู้หญิงก็บรรลุได้ผู้ชายก็บรรลุได้อริยบุคคลสี่ขั้นไม่ได้จะต้องกำหนดเพศเลยนะอยู่ที่ความสามารถของจิตเรื่องของจิตก็ไม่ได้มีเพศอยู่แล้วนะ ก, ก็อย่างงี้ก็ถือว่ามันก็เห็นได้อยู่นะค่ะเพราะเพราะดิฉันเข้าใจว่าถ้าอย่างมุมแบบเนี้คุณลักษณะของประชาธิปไตยเรียกว่าโดยหลักการทุกประการเนี่ย ไปด้วยกับธรรมมาธิปไตยแต่ธรรมมาธิปไตยอาจจะ ก, กว้างขวางกว่าอืมก็จะจะมะีความยืดหยุ่นมีความกว้างขวางอย่างเช่นว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่คุณโยมตียกตัวอย่างเนี่ยแต่ถ้าให้ปฏิบัติเหมือนกันเป๊ะมันไม่ได้เอาคุณไปเข้าห้องน้ําอ่ะห้องน้ําก็ยังต้องสร้างไม่เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงใช่ไหบนี่คือคลักษณะของตา ม, รมธรรมธรรมมาธิปไตยที่ว่าค่ะ น, นคะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านกำลังจะบอกว่า เรื่องวินัยและคุณธรรมจะต้องเริ่มต้นอย่างไรก่อนอย่างไรสำคัญกว่ากันท่านบอกเป็นเนื้อเดียวกันเลยถูกไหมคะแนลว่มันไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้คือถ้าเราจะมาทำอันหนึ่งแล้วลืมอีกอันหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้คือมันทำไปด้วยกันได้เลยช่อืมเพราะถ้าอย่างถามถ้าถ้าอย่างให้ดิฉันเองเนี่ยแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้เพืก็จะเข้าใจว่า พระพุทธองค์เน้นอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะนะคะสอนสองเรื่องเรื่องธรรมกับเรื่องวินยัยแล้วก็ในการที่ท่านจะบริหารคณะสาวกของท่านในครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านก็จะใช้หลักการขอ ง, งกของศีลใช่ไหมคะศีลนี่คือศีล น, นี่คือวินัยเลยถูกไหมคะเป็นสิ่งที่สําคัญถูกต้องถูกต้อง การที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติศินสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้หลักของธรรมะนะคือคเพื่อที่จะข่มกี่คนที่ไม่ดีเพื่อที่จะให้คนที่ดีอยู่ได้นี่เป็นหลักธรรมะทั้งสิ้นเลยจึงบัญญัติวินัยออกมาเพราะนั้นวินัยกับธรรมเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้ค่ะทีนี้ในส่วนที่หลักการาาประชาธิปไตยอีกอย่างที่เขานิยมพูดกันก็คือเสียงข้างมากตัดสินเสียงข้างน้อยเนี่ยในครั้งพุทธการพระพุทธองค์ มีหลักในการตัดสินอะไรที่สอดคล้องหรือว่าไม่เหมือนแตกต่างอย่างไรไหมคะ เ, เรื่องของการที่จะใช้เสียงข้างมากเนี่ยก็จะมีอยู่1เป็น1ใน6วิธีเอ่อ 7, วิธีขอไปในการที่จะในการที่จะตัดสินความแหนบางทีการใช้ประชุมการตกลงกันการตกลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องมีการโหวตเสมอนะการโหวตนี่เป็นแค่หนึ่งใน7วิธีเท่านั้นเอง <น> <Okay. S 1> แล้วก็บางทีตกลงกันอ้าวพระองค์นี้ว่างนี้อ้าวก็ตามองนั้นโดยที่ไม่ต้องบทด้วยซ้ํำหรือว่าการโบทบางทีมันก็มีอ้าวจำเป็นวทก็ต้องก็ต้องบทก็ได้แต่แต่มันมีวิธีการอื่ น, นอื่นอื่นอี ก, กเป็นเครื่องมือเครื่องไม้วิธีหนึ่งเท่านั้นเองถ้าพูดถึงเรื่องการโบทเสียงข้างมา ก, กานะค่ ะ, อ, ะอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูถึงเรื่องธรรมอาธิปไตยที่ทําเป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็น เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหานะคะเพราะว่าจะรวมทุกอย่างที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขมากที่สุดใช่เฉะนั้นถ้าในการที่จะดูแลคนหมู่มากถ้าให้มีธรรมมาที่ประไตเข้าไปใสไว้ในนั้นมากๆ ก, ก็จะดีท่านมองสังคมเดี่ฉันขออนุญาตที่จะรบกวนพระคุณเจ้าหน่อยก็แล้วกันนะคว่า ในเวลาที่เหลือเนี่ยคิดว่าจะต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างในส่วนที่เป็นธรรมาธิปไตยเข้าไปในการที่เราบริหารจัดการสังคมกันอยู่ในปัจจุบันนี้บ้างไหมคะหรือถ้าไม่ทันก็ขอต่อวันพรุ่งนี้ก็ได้มาพูดถึงคิดว่าเรื่องของการที่เราต้องเชื่อชูคนดีนะคนที่ <c oughs> ทําดีก็ควรจะต้องได้รับการโปรโมทการยกย่องให้เห็นเป็นตัวอย่างคนที่ไม่ดีเราก็ต้องให้เขาออกไป แล้วก็เรื่องของการคอรัปชันนี่ยคงจะต้องก็ต้องเคลียร์มันออกไปด้วยจะดีมากคะ่ะคงจะต้องกราบเรียนถานท่านต่อนในเรื่องของคนดีในวันถัดไปเลยนะคะใช่นนปนใช่ปเพราะว่าเป็นคําที่อธิบายไม่ง่ายค่ะ อ, อนะคะงั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราคิดว่าเราจัดรายการธรรมะแล้วก็ขอกราบเรียนสนทนาท่านในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้กราบมรดส ก, การขอบพระคุณค่ะใช่ปาน ค่ะท่านฟังที่ครบค่ะแล้วนี่ก็คือรายการสันสนีสนทนานะคะ ก, ะก็กราบเดินถามท่านหลายเรื่องเลยเรื่องปฏิบัติที่ฉันยังไม่ได้ถามเลยนะคะทั้งๆที่ตั้งต้นเอาไว้ต่อหน้าบังเอิญก็เกิดมาติดอกติดใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมธิปไตยเรื่องของวินัยเรื่องของคุณธรรมสรุปแล้วค่านิยมที่โลกนิยมเป็นค่านิยมเดียวกับธรรมนิยมนั่นเองนะคะ คือถ้าคิดไปในศึกษาเข้าไปในครั้งพุทธกาลเรื่องของวินยัยหรือว่าเรื่องของศีลนั้นสําคัญมากแล้วท่านเองก็ยังอยากจะให้คนปกติธรรมดาแบบพวกเราซึ่งไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยได้เห็นคุณค่าของการที่จะปฏิบัติตนในวินัยที่เหมาะสมกับชีวิตของคารวาะเราด้วยนั่นคือเรื่องของศีลห้าเป็นหลักเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อไปนะคะ รายการสัมสนนสนทนาดิฉันสัมม น, นาคคุณทว่าสวัสดีค่ะ